ข้อความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลงปโปติยานกาลังนำเสนอเรื่องธรรมาจากกัตนสูตรมาถึงข้อที่ส่งใช้คำว่าอุปสมายะแปลว่าเข้าไปสบปงบะงัยบ ค้นี้มพนสังเกตว่าจากักรยานั้นเป็นแสงสว่างหรือว่าเป็นปัญญาพราเมื่อเขาเกิดขึ้นแล้วก็ทำหน้าที่สงบปัวความมืดในที่นี้ก็คือได้แก่อวิชชาต่อมาปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาทั้งปวงเมื่อก็ดูที่ความเปลี่ยนแปลงในดาจิตใจ หมายความว่ากิเลสได้ลดน้อยถอยลงไปปริมาณของธรรมะก็เพิ่มขึ้นเพราสิ่งที่เราเรียกว่าความสงบก็คือสองเรื่องสงบกิเลสกับสงบความทุกข์แต่ว่าความทุกข์ที่จริงมันเป็นผลต่อเนื่องมาจากกิเลสแล้วกิเลสก็เป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากอวิชชา เมื่อปัญญาเกิดขึ้นทำหน้าที่สยบอวิชชาไอาสิ่งที่สืบเนื่องจากาวิชามันก็ต้องดับไปตำนองคล้ายๆกับไปขุดทำลายรากของต้นไม้ไอที่เกี่ยวเนื่องกับต้นไม้จะปีกเกี่ยงใบดอกผลอะไรก็ช่างเนะมันก็ถูกทำลายไปด้วยวันตรามองโครงสร้างของความสงบ ที่เป็นตัวหลักก็คือสงบกิเลสที่สรุปรวมเป็นโลกกดลงนั่นเองจะเราจะเห็นว่ากิเลสแต่ละประเภทเนี่ยถ้าก็ปล่อยให้มันแบงและมันแรงจนสุดจะยังคาดหมายได้นะว่ามันจะออกบัวออกก้อยอยังไง อาการของโลกก็ดีโกรก็ดีหลงก็ดีนะส่วนมากจะมีการผส ม, มการโลภหลงโกรธหลงหรือบางทีก็หมุนลุนเนื่องกันไปก็เป็นช่วงเป็นจังหวะเพราะเราเานี่ยเป็นอาการของความโลภโกรธหลงก็ให้เราดวงลองดูข่าวคร า, าวในบ้านในเมืองเราก็ไปจําำนะณฑ์ไหนก็ได้คือบทีมันนึกไม่ออกนะ ว่าทำไมคนที่มีการศึกษามีสถานะมีความรู้มีความสามารถมีฝีมือต่ทำไมต้องไปประพฤติปฏิบัติในลักษณะอย่างนั้นมีข่าวคราวที่รุนแรงแล้วก็ไม่ยอมกันเสร็จแล้วก็มีการต่อสู้ทำลายล้างกันหรือบางครั้งเป็นเรื่องทึ่เกิดขึ้นภายในใจของคนสักคนหนึ่งแล้วก็ไปหาแนวร่วม ก็แสดงออกมาในลักษณะที่แรงๆยกตัวอย่างเช่นคนบางพวกที่ชวนกันไปปล้นมันเริ่มคิดถึงก็ผิดละมันประกอบด้วยโลภะแล้วก็ประกอบด้วยโมหะแต่มันรู้สึกว่าเป็นการตอบสนองความต้องการเอาตัวเองต้องการได้อะไรแบบง่ายๆนะฮะเป็นคนขี้เกียดขี้เกียจแต่ก็มีความโลภแล้วก็เห็นแก่ตัว การได้คงตนนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดโดยไม่ได้คำนึงถึงวิธีการในการได้หรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการได้คงตนว่าคนอื่นจะมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเนี่ยเราไม่ได้คิดมาถึงจุดนี้ก็ทำให้เป็นนึกถึงก็หลายวันมาแล้วนะฮะที่จริงพวกมันห่างกัน คือไปตวนโรคที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็ดูมันเงาๆยังไงชอบคนไม่เคยมีคนพยาบาลเขาบอกว่าตอนเนี้แขกไม่ค่อยมีได้ก็ลดลงไปก็ทําให้นึกว่าความอยากได้ของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นความอยากได้เป็นความเสียหายของคนอีกกลุ่มหนึ่งคืออยากให้คนเจ็บนะฮะ แต่ถ้าเราลองดูให้ดีว่าเราทำหน้าที่รักษาเขาจริงอ่ะแต่จริงเราก็อยากให้เขาเจ็บตระการเจ็บเขาแล้วเราได้รักษาเนี่ยเราได้เงินมันไม่ได้เกิดด้วยความกรุณาล้วนๆแต่มันเกิดจากการแสวงหาผลประโยชน์คือหมายความว่าไอารักษาแล้วเขาไม่จ่ายสตางเนี่ยผมไม่รักษาแล้วนะ อย่าน้อยข้าราชการมันก็ต้องมีเงินเดือนจากรัฐซึ่งถ้าหากว่าพอสันทารประมาณเป็นธรรมดาพอคนเราจะอยู่ได้ยังไงอะไม่มีเงินไม่มีทองเนะี่ยแต่ลองดูว่าความอยากเนี่ยถ้าต้องการให้โรงพยาบาลตูเรียวนี่คนต้องป่วยมากๆากพอคนป่วยมากๆากในงานการไปในครอบครัวเขาก็ไม่ได้ทําเกิดปัญหาเรื่องความขาดแคลนทรัพย์สินเงินทอง เกิดปัญหาว่าคนภายในครอบครัวเนี่ยต้องหยุดงานเพื่อมาดูแลคนที่ป่วยแล้งานในองค์กรต่างๆตลอดถึงองค์กรของรัฐซึ่งควรจะได้จากการทำงานคนโรนีก็ไม่ได้โอ้ไมเสียเยอะนะก็ต่อมาก็ไปไปเผาศพที่วัดเหงห น, นึ่งเจ้าหน้าที่เมนเนี่ยเขาก็บอก ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีศพมีอยู่สามสี่สลาแันวนี่สลาบางหลังเนี่ไม่ได้ใช้มาตั้งเดือนสองเดือนแล้วไม่เกิดสะดุดใจเพเอก็คิดแบบโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลงนะไม่ได้คิดอย่างนั้นทุกคนเนี่ยนะแต่หมายความว่าเป็นความคิดที่ต้องการจะได้โดยไม่คำนึงถึงว่าใครจะเป็นยังไงก็ตามเพราพวกเมนเนี่ยต้องอยากให้คนตายมากๆ ตัวเองจะมีงานมากๆ ม, มีเงินมากๆากแต่คนอื่นต้องสูญเสียเยอะเลยนะสูญเสียมากๆ ม, มีการพลัดพลาดมากแล้วมาดูไปในที่ไหนที่ไหนมันก็คือกันเนี่ยเจ็ดว่าธุรกิจตั้งหลายต้องการในธุรกิจของตนเองเจริญเติบโตก็ต้องมีคนมาบริโภคมากๆซื้อมากๆแล้วก็ได้กำไร ม, มากมากคือไม่ได้ได้คิดว่าเขาซื้อไปแล้วจะคุ้มค่าหรือไม่เนี่ย ยันในปัจจุบันในเราค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าสินค้าต่างๆเนี่ยมันซ่อมแบบรื้อทิ้งกันเลยเนีเยืเ่อเปลี่ยนอะไรเป็นชุดๆกันเลยเป็นวิธีการที่เ ร, ทเรารู้สึกว่าสะดวกสบายนะฮะแต่ว่าทรัพยากรธรรมาชาติได้ถูกทำลายไปเยอะคือกินเกินบริโภคเกินใช้เกินไป จะถามเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันเราไม่ได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาก็อยากได้บนความพิบัติเดือดร้อนของบุคคลอื่นซึ่งหมายความอาการที่เราได้มากในความสแสดงคนอื่นต้องเสียมาแต่บางเสียตรงที่ก็เสียชีวิต เ, เสียทรัพย์สินเสียเงินทองเสียชีวิตตอนทีเราดูพฤติกรรมแนวความคิดตรงนีม้มนุษย์มันก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้แตกต่างอะไรกับสัตว์โลกเท่าไหร่ พฤติกรรมที่ตามใจตัวเองน่ะเห็นแก่ตัวก็อยากได้ผู้ตอบสนองความต้องการของตัวเองนะเราอาจจะดูชีวิตสัตว์ในทะเลทรายอาจจะไปนั่งในป่าแล้วก็ดูพฤติกรรมของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันก็แก่ไม่มองนะฮะว่าคนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เอฉันขอฉันขอให้ได้ก็ได้เนี่ก็แสดงว่าความโลภความหลงที่แรง แล้วพอแรงแกก็ออกมาในรูปเช่นสมมติ่าบต้นฆ่าคมขืนเผาบ้านเนี่ยฮะเราก็ได้ข่าวพฤติกรรมมันฮัลลูโวรุนแรงขนาดเนี่ยสแสดงเห็นว่าภายในใจเขาไม่ได้ส ง, งบกิเลสแต่กิเลสมันรุกรงแล้วก็เผาผลาญทำลายล้างการตลงใจกันไปปล้นเนี่ยเป็นอาการของโรคลงในขณะต้นก็คงเป็นอาการของโรคลงอยู่ ถ้าเจ้ทรับก็ขัดขืนก็ต่อสู้มันจะเกิดโลภไม่จะเกิดโกรธแล้วก็เกิดหลงแล้วอาจจะฆ่าเขาก็แสดงมาโทสะกับโมหะแต่บางทีก็รุนแรงนะฮะยังไม่สายใจก็ไปคมขืนคนภายในครอบครัวเขาก็เป็นอาการของราคากัดโทสะไม่ใช่ราคากับโมหะแล้วก็แถมโทสะนะบางทีก็เผาบ้านไปเลย เ็นเป็นอาการของโทสะแล้วก็โมหะยังความรุแรงเหล่านี้มันออกมาเป็นศึกสงครามต่างๆต้นหลักการที่ต้องการให้เกิดความสงบที่พระเจ้าทรงสอนนั้นก็ไม่ใช่แบบก้าวกระโจนเพราะว่าก้าวกระโจนยังไงควรก็ไปไม่รอดมันก็กลายเป็นขั้นบันไดที่ไต่ขึ้นไปได้โดยลำดับ เราเรียกคำสอนของบทบัญญัติต่างๆเราเรียกว่าสิกขาบทสิกขาบทก็แปลว่าก้าวหรือขั้นของการศึกษามันตอบทัศนคติเจตคติหรือมโนทัศน์ของเราเนี่ยลึกๆก็กลายเป็นมโนธรรมสานึกคือจิตสำนึกที่จะมองเห็นโอดของการเบียดเบียนการประทุษร้ายกันมันเกิดจากความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาที่แรง แล้วก็กลายเป็นอาการที่จะต้องตายไปข้างหนึ่งใครยอมใครอยู่ใครขวางฆ่าตายผลประโยชน์ขัดกันก็บรรลัยตายเสียได้ข้างหนึ่งจึงจะดีอันนี้คือแสดงถึงความบุญแรงทวงอาการโลภะโทสะโมหะถ้าเรานั่งแยกแล้วก็จะเห็นเลยนะะว่าเป็นอาการที่มันหนุนเรื่องกันไปแล้วเกิดต่อนเนื่องกันไป มันทำยังไงว่าถ้าปล่อยไปอย่างนั้นมันก็กลายเป็นแนมิการสันยีด้วยการในบ้านในเมืองเช่งการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศฟิลิปปินส์การต่อสู้กันในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อยมีระบบหน่อยนะฮะคือจะเห็นว่าไม่ถึงก็เขยนฆ่าทำลายล้างกันแต่ขางเรานี่เล่นจะตายหลายศพเลย ในฟิลิปปินส์ก็ไม่ถึงกะทำหลายลาย้างแต่ในอินโดนีเซียนี่ตายเยอะนั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าจิตใจของบุคคลไม่ยอมใช้เหตุผลสติปัญญาให้มันเกิดความสงบเกิดสงบขึ้นภายในใจเนี่ยบางทีก็ไม่ถึงก็สงบจนจนหมดสิ้นเชิงนะเราก็ทำไม่ค่อยได้หรอ จะทยังไงวาอย่าให้มันล้นออกมาข้างนอกคือกิเลสเนี่ยยห้ล้นออกมาข้างนอกแล้วมันก็กลายเป็นระบบความคิดที่รับผิดชอบต่อตอนเองต่อคนอื่นต่อผลจากการกระทาที่มันไปกระทบคนอื่นได้ไหมแต่กระทบเราเองนะคอนแนวตัวนี้จะส่งแสดงไว้หลายรูปแบบแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วจะเหมือนกัน เจนว่าไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันกลายเป็นข้อปฏิบัติที่เรียกเคารพต่อกฎหมายแล้วแล้วก็อยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วแล้วก็รักษาศีลสมาทานศีลนะทีนี้การที่เรารักษาศีลได้เนี่ยมันก็เป็นสงบกิเลสประเภทที่แรงเรียกวิธีการมากกิเลสที่กิเลสที่มันล้นออกมาข้างนอกก็สงบไปได้ ทนี้กิเลสระเภทล้ลนเนี่ยมันก็ให้เกิดการอยู่ร่วมกันโดยก็เรียกว่ามีสวัสดิภาพพอสมควรแต่ว่ามนุษย์เรานี่มันมันอยู่แบบสวัสดิภาพอย่างเดียวไม่ได้ครับสัตว์โลกเนี่ยมันมีคนขาดแคลนมันมีคนเดือดร้อนมีคนมีปัญหาจําเป็นจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสัตว์โลกมันเชื่อมโยงด้วยความเป็นมิตรกันคือมีไมตรีจิตต่อกัน ที่เราพูดว่าปรัชนาสารพัดต่ปัตตพีไม่ตรีแลกได้ในใจจงตอนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องพัฒนาความคิดกันไปอีกระดับหนึ่งคือให้ซึ้งมบจากความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเพราะว่ามันเป็นความแบ่งแยกแต่ตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเลยคือยังนึกถึง ต่างการเมืองนะฮะที่มีการพูดจะเชิญคนนั้นคนนี้คนโน้นเข้ามาเนี่ยเวลาพูดเราไม่น่าเชื่อนะฮะว่าคนที่เข้ามาเพื่อทํางานให้แก่ชาติบ้านเมืองเนี่ยมีการแบ่งแยกกันไม่ยอมร่วมแรงร่ว ม, มใจกันนะฮะถา้าพักโน้นเป็นแล้วก็พักนี้จะไม่ยอมช่วยแล้วก็ค้านกันหันแหละนานมาแล้วสมัยเป็นเด็กเนี่ย อย่กับท่านผู้หญิงละเอียดสมพลพอพิวัลวสงครามเราเป็นเด็กๆกันนะแต่เอาล่ะผู้ใหญ่เนี่ยเป็นยังไงเห็นท่านไปทําอะไรเนี่ยถ้าที่จริงก็ดีอ่ะนะถ้าขวาค้านเขาค้านหลังซือพิมพ์ก็กตีงว่าก็ท่านทําดีเนี่นะทําไมต้องไปค้านละ่ะเราไม่รู้เรามีหน้าที่ค้านเนี่ยเราต้องค้านแย่งเดียวแล้วมันจะทําอะไรได้ถ้าค้ฐฐานหมดฮะเพราะถ้าอุดมการณชาติเนี่ยมันต่ํา เราความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ขอ้เกิดการแบ่งแยกเพราะฉะนั้นมันต้องสงบความเป็นเราเป็นเขาเพื่อให้อยู่ร่วมกันโดยมีสวัสดิการคือช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นสังคมที่เราเรียกร้องพระดรภาพสมภาพเดรีภาพและทีาา่เราเรียกภาพภาพมันเพีเยบจะหมดเลยไม่ได้ต้งภาพเลยทำยังไงจะเดินไปตรงนั้น มันก็แสดงว่าเราต้องส ง, งบความรู้สึกเนี่ยเรื่องหังการมังการเนี่ยเป็นตัวเราเป็นของเรามันก็ส ง, งบไปมาลงอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นตัวเรากับพวกของเราหรือของเรากับของพวกเราแล้วก็อ e ีกฝ่ายหนึ่งมันเกิดขาดแคลนเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือคือกุณกันช่วยเหลือสงเคราะห์กัน ตามกำลังความสามารถนะฮะที่จะะทําได้ที่จะมองกรลักษณะอย่างเนี้ก็มีอยู่มากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนรุ่นหนุ่มเบร น, นี้ก็มีน้ําใจต่อสังคมเยอะเหมือนกันนะที่มีกิจกรรมต่างๆแต่มันต้องพร้อมที่จะทําในรูปวงารปิดทองหลังพระไม่จะทําแบบแฟชั่นโชว์จะอะไรดีเราก็ทําอะไรไม่ดีเราก็ไม่ทํา นั่นคือหลักการที่แสดงวองภายในเรามีความสงบมีปัญญาเข้ากำกับในการควบคุมพฤติกรรมไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์ที่บังเกิดขึ้นแล้วจากนั้นก็สงบลึกลงไปแน่นอนระดับนี้ก็ง่ายกา ก, ก น, นะฮะเร่สงสงบกิเลสอย่าง่างสิ้นเชิงเนี่ยเอาเราอระดับสิ่ธรรมจัญญาแล้วกัน ถ้าเอาสงบระดับนี้ยพระพุทธเจ้าท่านสงบหมดนะอุปสมายะในความหมายที่สมบูรณ์เนี่ยคือกิเลสมันสงบหมดแม้มีตัวกระตุ้นมาจากข้านอกมันก็ไม่ฟูขึ้นยั่วยุยั่วให้โกรธก็ไม่โกรธด้วยอยากก็ไม่อยากขวายก็ไม่กลัวเพราะไม่มีกิเลสเป็นเนติโกัวไม่มีกิเลสเป็นเนติอยากไม่มีกิเลสเป็นเนติโกรธ ตรงนั้นเป็นระดับอุดมการไปแต่ปัญหาใหญ่ในสังคมเนี่ยคือปัญหาของความเป็นเราเป็นเขาแล้วก็พวกเราพวกเขาแล้วขีดวงเป็นพักเราพักเขาเห็นไหมฮะแม่นักการเมืองเนี่ยยังนึกว่าคนพวกนี้มันจริงจริงมันปัญญาชนคือยังไงก็ตามนะฮะเราก็ไม่ใช่ไปชี้จุกอะไรกับควานหลังเขาแต่ว่าเรารนึกถึงกอกับยอดบูเนี่ย เวลาต่อสู้กันเราก็นึกไว้มันทำค่อนข้างน่าเกลียดหนแล้วถึงจุดหนึ่งมันหาข้อยุติกันได้แล้วก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันแล้วก็นับหนึ่งกันใหม่ทินะ้งการเมืองเบื้องหลังเอาชาติบ้านเมืองไว้เบื้องหน้าแล้วก็มาร่วมแรงร่วมใจ ก, กันพวกดูมือแกก็เข้ามาร่วมมือกับพรรคปีพิบกับน มีรัฐมนตรีรแต่ไรเนี่ยบางคนก็สังกัดพรรคเดโมแครตแต่พอถึงชาติแล้วมันไม่มีพรรคมันมีชาติอย่างเดียวเห็นไมสังคมเราเนี่ยการเมืองเราที่เรียบร้องอะไรต่ไรมันไม่ก้าวหน้ามันมีความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาแล้วเสร็จแล้วก็มาติดอยู่ที่พรรคเราพรรคเขาคือตัวได้เป็นใหญ่ตั้งเองคือความถูกต้องแต่คนอื่นเนี่ยคนอื่นเป็นใหญ่ก็เลยไม่ถูกต้องหมดเ จะเป็นปัญหาที่หน้าก่วงใหญ่แต่ก็ว่าก็ว่าจะแล้วมามักจะมองสนามเล็กนะฮะคือมองสนามของวัดของบ้านของอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นกรณีศึกษาว่าเอาแค่จริงเนี่ยคนไม่กี่คนเนี่ยเราสร้างให้เป็ น, น, นอนันเดียวไม่ได้เช่นภายในบ้านเนี่ยจริงจริงีคนไม่กี่คนบางทีก็พ่อแม่ลูกเนี่ยยังขัดแย้งกัน แล้วภายในวัดก็มีคนไม่กี่คนร่วมอาจารย์ร่วมบุพชา ย, ยากกันรวมวัดกันร่วมอะไรกันเยอะนะฮะแต่ก็จริงบางทีมันก็มีความขัดแย้งมีความแตกแยกความเป็นเราเป็นเขาบา ท, ทีก็นั่งนิง่งไม่ก็เอมันจะมาบวชเอาอะไรกันในว่าต้องการจะเว้นบาปบวชแป่เว้นบาปนะจริง ทำไมมันเพิ่มบาปล่ะทำไมยิ่งบวชนานบาปมันยิ่งเพิ่มล่ะมันน่าจะกิเลสลดนะเนี่ยไอ้เร่คือความไม่สงบเพราะว่จริงเราเดินไปแม้ระดับสีนเนี่ยเราก็เดินกระดกกระเดกแล้วเอาไปไม่กระได้แต่ธรรมาภาคสนามที่จริงมันไม่ใช่อยู่ระดับสีอย่างเดียวมันต้องมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปจนถึงก็สงบ ความเห็นแก่ตัวความพวกของตัวจนกลายเป็นเห็นแก่ชาติบ้านเมืองในฐานะที่เราเป็นผู้อาศัยชาติบ้านเมืองมันก็น่าจะถามว่าเราได้ประโยชน์จากชาติบ้านเมืองมามากแล้วเมื่อไหร่จะชดใช้แก่ชาติบ้านเมืองบ้างไม่มีการเรียกร้องจนน่าเกลียดคือแสดงในความเห็นแก่ตัว แล้วก็ทําทตัวเป็นเจ้าบุญในคุณเหมือนกับลูกเนี่ยทําตัวเป็นเจ้าบุญในคุณของพ่อแม่เลยไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าบุญในคุณใครกันนะนักเรียนตั้งตัวเป็นเจ้าบุญในคุณของครูบาอาจารย์พระผู้น้อยตั้งตัวเป็นเจ้าบุญในคุณกับพระผู้ใหญ่ตัวนี้ไม่ค่อยมีนะฮะก็ดีอย่างนึเพราะฉะนัะ้นทำยังไงว่าให้กิเลมสมันสงบลงไปในระดับที่ พูติกันได้เหตุผลและความดีจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันแสดงถึงความโอปป้อมารีเออเพื่อเพื่อแผ่มีการสงเคราะห์นกเพราะ ก, กันมีการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันตอนนี้พระเทระนี่มรภาพเยอะไปร้อนรถน้ำศพไปท่านทุกองค์แต่วันก่อนก็ไปได้ข้อสังเกตว่ามีศพพระเทระผู้ย้ายรูปนึง คือมือท่านแบ่รับแบ่รับน้ํานะคนอื่นมือไม่แบ่ก็ลถก็ทังทางข้างๆแค่แค่กระสันมือแต่ท่านไปรถที่มือแล้วก็เห็นลายมือเรียบร้อยอะไรอย่าี้ยมันก็สอนอะไรดีสอนอะไรให้เห็นว่าเราจะกำมือมานะฮะแต่ว่าก็แบ่มือให้ดูว่าฉันไปนะไปแล้วอะไรไป สิ่งที่ติดตัวตอนมาก็คือติดตัวในตอนไปแต่แกบุญและบาปเท่านั้นเองวันสงบที่น่าจะโดยเสด็จได้นะฮะคือสงบบาปบาปที่มันแรงๆนะฮะเอาบาปที่แรงๆที่เกิดขึ้นจากการละเมิดกฎหมายละเมิดศีลธรรมแล้วก็จนออกไปในรักลักษณะที่เชื่อมโยงตนเองกับบุคคลดืนด้ดยความเป็นมิด มีน้ำใจโอปปามารีอรอเ พ, พื่อเผื่อแผ่หรือกือ้กูลกันก็ถ้าสงบเดินได้ขนาดนี้ก็สงบได้เยอะพอสมควรแต่ก็ว่าก็ว่าแต่ะนะทั้งคมเนี่ยมั น, มนเล่นยากไปหมดแล้วลยังนึกว่ามันจะยุ่งยากมากกว่านี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่ไม่น่าเชื่อมันก็เกิด เ่าเน้นวก็เออปัญหาอย่างนี้มันไม่น่าจะเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นนะแล้วเกิดขึ้นในที่สุดมันก็คล้ายๆกับคนเหล่านั้นได้แก้ปัญหาในปัจจุบันแต่ว่าสร้างปัญหาที่มากยิ่งขึ้นในอนาคตก็ะไรเพราะว่า มันขาดอุบายวิธีที่ฉลาดรอบคอบมองปัญหาไม่ใช่แง่ไดแง่หนึ่งแต่ต้องมุมหลายมองหลายแง่หลายมุมคือมองหลายๆมิติดได้กันถึงถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยไอความรุนแรงด้าต่างๆเนี่ยก็จะสงบลงแต่ก็ต้องสงบที่ใจของคนแต่ะคนไ ด, ได้ก่อนต้องฟังแต่ล